แต่ะเอิญเมื่อวานี่หลวงพ่อท่านไปสอบอารมณ์แล้วไปสักถามผมก็เลยเล่าตามประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ท่านฟัง เ, ออเนื่องจากว่า <c oughs> เนื่องจากว่าตัวเองมีแต่ความทุกข์มาตลอดช่วงชีวิตคือมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์แล้วหาทางออกไม่ได้ันนี่ประวัติเดิมก่อนที่จะเข้ามาในนี่นะฮะ ก็ดิ้นโนเศร้าแงห่าว่าเอ๊ะทาไมมันมีแต่ทุกข์ทุกทุกสิ่งทุกอย่างทุกไม่ได้ดังใจทุกจากคนที่เรารักก็ทุกคนที่เราเกลียดก็ทุกไม่ได้ดังใจต่างๆพวกนี้ก็เลย คิดว่าอีมันจะมีทางไหนที่พอจะทําให้เราคลายทุกข์ได้มั่งก็เลยเริ่มแสวงหาการแสวงหาก็เพราะว่าเราเป็นทางพุทธก็คงจะเข้าวัดพอเข้าวัดก็คิดว่าจะหาทางพ้นทุกข์เหมือนคนทั่วๆไปนะครับก็แสวงหาไปเรื่อยครูบาอาจารย์ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไปหา ไปเริ่มปฏิบัติครั้งแรกคือเข้าไปในสายพระป่านะพระวัดป่าพันตาก <c oughs> แล้วก็ไปรู้จักกับครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนแต่ว่าจนแล้วจนรอดความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่ได้จางไป <c oughs> ไม่ได้หมดไปจากใจจนกระทั่งมาวันหนึ่ง มารู้จักอาจารย์กำพลคนพิการนะครับพูดบรรยายแล้วก็ได้ไปฟังก็มันโดนใจก็เลยคิดว่าเออวิธีนี้มันรู้สึกว่าจะจะเป็นทางออกได้บ้างก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดจนได้เข้ามาในสายงานหลวงพ่อเทียนเริ่มจาก ร้อยปีชาติกาลหลวงพ่เทียนนะแล้วก็มาติดตามงานนี้มาเรื่อยทำความเข้าใจมาเรื่อยแต่ทุกนั้นก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนได้นำเอาซีดีของหลวงพ่อมาฟัง แล้วก็หาทางปฏิบัติครั้งแรกเลยที่มาเข้าค่ายก็คือที่วัดวัดคคกวัดโ ค, ดโคกดินแดงนะฮะวัดป่าโคกดินแดงของท่านจันดวงศีลไปครั้งแรกนี่ประสบการณ์มันมีแต่ทุกข์นี่ก็แหละเดินจงกรมมันง่วงทั้งวันง่วงที่สุดเดินถอยหลังก็ง่วงเดินหน้าก็ง่วงง่วงจนกระทั่งหัวไปชนต้นไม้ มันโงกง่ว ง, ง, วงแล้วก็ล้มลงไปล้มลงไปเป็นนอนไปนอนอยู่กับพื้นเนะ่ะมันยังง่วงอีกนะครับนั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นสรุปแล้วคราวนั้นเจ็ดวันนี้มันก็ได้แต่ความง่วงพอหลังจากนั้นมาก็เลยไปที่ทัพมิ่งขวัญทัพมิ่งขวัญก็มันชาตการร้อยปีหลวงพ่อเทียนนั่นก็ไปรู้จัก วิธีการแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นอันนี้ปรากฏการที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองก็คือมันเกิดเกิดพิติอย่างรุนแรงมันเกิดพิติอย่างรุนแรงขึ้นมาตอนที่นั่งเก้าอี้แล้วยกมือนี่ยนะฮะนั่งยกมือเนี่ยมันสัน่นมันสั่นไว้ไปหมดเลยเก้าอี e ้เนี่โยกไปโยกมาจนคนนั่งอยู่ข้างหลังนี่อยู่ไม่ได้ ผัวเราจะล้มใส่ก็เป็นอยู่นาน <c oughs> ก็เก็บเอาไว้แล้วก็เกิดความรู้ที่มันแตกขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนรู้ไปหมดเวลาหลวงพ่อท่านเทศนี่รู้หมดเลยเข้าใจหมดอา้าวมันทำไมเป็นอย่างนี้ตอบคำถามที่ท่านพูดได้หมดอา้าวมันแตกมากก็เลยม า, ากราบเรียนหลวงพ่อของพ่อเรานี่นะ <c oughs> ท่านก็พาไปชีด้ดูต้นไม้ชี้ดูอะไรเออมันก็กลับมาสู่เป็นปกติคราวนั้นเกิดความคิดก็เลยหลวงพ่อบอกให้ไปเก็บอารมณ์ที่แพร่แสงเทียนก็ได้ไปที่แพร่แสงเทียนไปอยู่แพร่แสงเทียนสิบวันปรากฏการที่เกิดขึ้นที่แพร่แสงเทียนก็มีแต่ทุกข์อีกเอา้าเราหาทางพ้นทุกข์มันทําไมเจอแต่ทุกข์ ว่าเข้ามาทางนี้มันมีแต่ทุกคือทุกนี่มันไม่ไม่ทุกมาจากไหนนะฮะทุกมาจากใจเราแล้วก็ทุกมาจากกายใจเราเป็นส่วนใหญ่จากความกดดันจากความออึดอัดผัดเครื่องความทุกขอะไรต่างๆพวกนี้แหละมันเกิดอยู่ตลอดเวลาทุกทุกสามวันนี้มีแต่ทุกจนเกือบจะเกือบจะอยู่ไม่ได้แล้วพอมีวันที่สี่มันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือว่า ไอ้ทุกนั้นเน่ยเราเดินจงกรมอยู่แล้วทุกมันเหมือนกับว่ามันจะโล่งหายไปมันเบาบางออกไปมันไม่ได้แบกภาระอะไรเลยทีนี้อ้าวไม่ได้แบกอะไรเลยว่างไปหมดเหมือนกับว่าเอ้านี่มันไม่ใช่มันสําเร็จแล้วหรือนี่หรอมันหลงมันหลงไปอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยมีอารมณ์แบบนี้มาก่อนมันไม่ยึดถืออะไรมันไม่นึกถึงอะไรมันไม่แบกขันห้าไม่แบกอะไรเลยมัน มันไม่เป็นภาระกับอะไรเลยก็เลยมานึกถึงคำคาพูดของหลวงตามหาบัวที่ท่านเทศเทศให้ฟังก็จําได้ว่ามีท่านเรียกว่าอรหันนกวีดปรมนั้นคือมันมีพระสององค์ชวนกันไปปฏิบัติบนภูเขาอยู่คนเราฟังกันท่านบอกว่า <c oughs> ถ้าองค์ไหนสําเร็จก่อนให้เป่าลูกบีดแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็จะขึ้นไปถามว่าทํายังไงถึงสําเร็จอยู่มาวันหนึ่งก็กอีกองค์นั้นได้ยินเสียงลูกบีดก็ขึ้นไปบอกว่าผมสําเร็จแล้วผมสําเร็จแล้วเนี่ยผมไม่มีอะไรแล้วผมหมดปัญหาแล้วงั้นผมโง่เหรอพันรีบลงไปปฏิบัติก็ลงมาปฏิบัติปฏิบัติอยู่ได้สักสองสามวันเสียงนูกบีดดงังขึ้นอีก <c oughs> ดังขึ้นอีกองค์นี้ขึ้นไปก็บอกว่าผมยังไม่สําเร็จเพราะมันกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วมันมีทุกข์อีกแล้วผมอันนี้ที่ผมมาเทียบกับเจ้าของก็คือว่าวันนั้นมันเหมือนมันเหมือนกับว่ามันมันหมดหมดปัญหาใดใทั้งสิ้นในโลกเนี้ยเหมือนกับไม่มีปัญหาใดใดเลยเราก็นึกว่าอ๋อตรงนี้เหรือที่ว่ามันพ้นทุกข์เนี่ยเราพ้นทุกข์แล้วนี่ถ้าเราพ้นทุกข์เราต้องสําเร็จแล้ว ผมก็ไปเล่าให้หมอหมอหมอฟังคือหมอผู้ปฏิบัติด้วยกันนี่ฮะที่มาจากอเมริกาที่มากับหลวงพ่อนี่ครับมาเ <c oughs> พราะว่าหมอหมอผมผมผมมีอาการแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมประสบผลสำเร็จแล้วนะหมอหมอก็แสดงความดีใจใหญ่ว่าโอ้ผมจะผมอยากได้แบบนี้แหละพออยู่มาอีกไม่กี่วัน ทุกมันกลับมาใหม่อีกผมต้องรีบกลับไปบอกหมอหมอครับหมอหมออย่างยังยังนะผมยังไม่สำเร็จอันนี้คือประสบการณ์ที่ที่มันหลอกเจ้าของมาตลอดนะครเราก็ยังค้นคว้าหาต่อไปว่าทำยังไงถึงจะเจอสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยก็ยังหาไม่เจอจนแล้วจนรอดแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะต้องแสวงหาต่อไปเพราะว่าจิตใจมันมันเชื่อมั่นแล้วว่าวิธีนี้ การกระทำแบบนี้เท่านั้นถึงจะไปสู่การให้ทิ้ง ท, ท, ท, ทําให้เราทุกน้อยหรือไม่มีทุกได้แล้วก็ไปตามข้อต่างๆอีกหลายข้อแต่ก็รู้สึกว่าเรื่องความทุกจากความโกรธก็ดีความทุกจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในบ้า น, ก, นก็ดีมันเกิดมันเกิดทําความเข้าใจกันได้มันมันลงใจกันได้แต่มันก็ยังไม่ถึงว่า จะหมดปัญหาเพราะเรายังไม่เจอต้นตอของมันว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เราทุกข์พอต่อมาอีกในวันพนที่จะมาเนี่ยก็ตัดสินใจกันกลับในบ้านว่าเราไปเราไปที่นี่กันเถอะอทีแรกก็ลังเลนะครับั <c oughs> งเลใจว่าว่าะจะไม่มาเพราะว่าเราก็รู้ๆอยู่แล้วเงั้นว่าอะไรที่ทำให้เราทุกข์แต่พอมา มาที่นี่ได้ได้แค่สองวันนะฮะได้สองวันผมก็เอาละในเมื่อมันมันทำทำยังไงเราพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยเราก็จะทำแบบเพราะวันนั้นได้ไปงานหลวงพ่อคำเขียนไปดูไปดูที่ท่านแสดงทำให้ดูใน่อนที่ท่านเจ็บป่วยแล้วก็ท่านป่วยขนาดนั้นเนี่ยเลตนาท่านไม่กล้า มากมายขนาดนั้นทำไมท่านถึงไม่ไมทุกขกเวทนาท่านสามารถกระดิกนิ้วได้ท่านสามารถทำอะไรได้เหมือนอย่างเป็นคนไม่ไม่ทุกเลยผมก็มามาลองดูอยากจะดูที่ว่าเวทนากล้าที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันมันไปถึงไหนมันเป็นยังไงผมก็มาเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่แล้วมันเกิดเวท น, นากล้ามาก คือความปวดเมื่อยตามบทหลังตามเอวตามแข่งตามขาเนี่ยมันเหมือนกับจะระเบิดมันทุกข์มันสาหัสสากันอยากจะเลิกอ้าถ้าเราเลิกนี่เราก็ยังไม่รู้สิเราก็ไม่ได้คําตอบว่าไอตัวไอตัวเวทนาตัวเนี้มันจะไปถึงไหนถ้าเราตายมันจะเวทนามันจะไม่ยิ่งมากกว่านี้หรือก็เดินต่อไปอีกเดินแต่ว่าตั้งสติดูดูการดูการเกิดขึ้นของเวทนานี้เกิดขึ้นมาโอ้โหเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ ดูแต่พยายามกันไว้ว่าใจเราจะไปทุกข์กับไอ้ตัวนี้หรือใจนี่ขอให้เป็นปกติอยู่เวทนาก็ส่วนเวทนาพอเห็นมันอยู่อย่างนี้มันก็ขึ้นปไปไปถึงสี่สุดเลยแบบเสร็จแล้วมันพอมันไปถึงที่สุดปุ๊บมันไปถึงจุดจุดหนึ่งนะเมื่อเราดูอยู่แล้วมันก็จะค่อยคลายตัวลงมาคลายตัวลงมาเหลือจากร้อยกันเหลือเก้าสิบเหลือแปดสิบเหลือเจ็ดสิบลงมาจนกระทั่งมันอยู่ศูนย์อ้าว ไวเวทนาที่เราเดินอยู่นี่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้พักไม่ได้นั่งอะไรแล้วมันหายไปไหนอ้ออย่างนี้เลย อ, อันนี้ก็ยังยังไม่ได้คำตอบอีกว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์อยู่ตรงไห น, นต่อเมื่อมาได้ยินหลวงพ่อท่เทศวันนั้นที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องรูปเรื่องนามคือตัวเองเขาพอเข้าใจเรื่องรูปนาม ม, ามั่งตามสติปัญญาของตัวเองก็เลยไป วันเมื่อวานนี้เองครับที่หลวงพ่อท่านไปเจอแล้วก็เล่าให้ท่านฟังคือเรากำลังจับตัวสาเงทุกทุกมิมันอยู่น้เดินมีมีมีสติน่ยมันระลึกขึ้นมาว่า เอานี่เสียงมากระทบหูเสียงก็เป็นรูปหูก็เป็นรูปไอ้รูปต่อรูปกระทบกันเนี่ยมันไม่เป็นที่เป็นภัยกับใครเลยไม่ทําให้ใครทุกข์เลยที่หลวงพ่อพูดอ๋อนี่รูปกับรูปกระทบกันมันมันไม่ทุกข์นะเอาแล้วที่ทุกข์มันอยู่ตรงไห น, นอ๋อที่มันเป็นนามรูปนามรูป นามนามรูปนิ่มที่มันจะเกิดขึ้นได้เกิดจากความคิดความปรุงแต่งต่อเนื่องจากการกระทบคือพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีสติเห็นมันอยู่ตรงนั้นนะมันก็จะเหมือนเป็นภาพนิ่งครับภาพนิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างเสียงกับหูที่ได้ยินมันหยุดนิ่งเลยครับมันไม่ปรุงแต่งต่อไม่คิดไม่เกิดมโนภาพ คือภาพที่เกิดขึ้นจากความทิดขึนที่เรียกว่านามรูปมันไม่ไม่ชักใยไม่ทําอะไรไม่ทํางานต่อเราก็เห็นมันหยุดอยู่แค่นั้นเอองั้นจะแสดงว่าไอตัวนี้นี่เองสิเป็นต้นเหตุทุกไม่มีอย่างอื่นเลยคนที่พูดก็ไม่ได้ทําให้เราทุกเสียงได้ยินก็ไม่ได้ทําให้เราทุกแต่ ตัวที่ไม่ทันกับอาการของความปรงแต่งนีต่างหาที่มันทำให้เราทุกข์เมื่อเราเห็นแล้วพอเราหยุดมันหยุดเป็นภาพนิ่งคือไม่เคลื่อนไหวต่อไม่ขยับต่อแล้วมันก็หยุดหยุดแค่นั้นเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเมียนเลยกระเดินต่อไปเราเจอแล้วเราเจอแล้วที่ที่มันไม่ทาให้ทุกข์เนี่ยเราจะต้องเห็นแบบนี้แล้วต้องเข้าใจนี้ แล้วก็ทำแบบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนระบบของความคิดเปลี่ยนระบบของอารมณ์เปลี่ยนระบบสาษาที่เกิดขึ้นมาใหม่เพราะเดิมเลยเนี่ยเมื่อเราได้ยินเสียงอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะไวยมากที่หลวงพ่อใช้คำว่าร่องมันลึกมากความเคยชินอันนี้ที่เราได้ยินปุ๊บแล้วมันตับเข้าไปปรุงทันทีเนี่ยเราไม่สามารถจะตามมันทันได้ครับ มันจะเป็นปุงปรุงเป็นดีก็ได้ปรุงเป็นร้ายก็ได้ไอตัวที่ขยับตัวปรุงเนี่ยแหละครับที่มันเกิดทำให้เราทุกข์หรือเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาพอผมเห็นตัวนี้ผมผมชัดเกิดความมั่นใจทีนี้เกิดความมั่นใจว่าโอ้เราเราเจอแล้วแล้วเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ ทำความทชำนี้ทํานานทําทําความรู้สึกใหม่ให้ให้สกัดกัน้นไอ้ล่องลึกตัวนี้ให้ได้เอาวิธีสกัดกัน้นเราจะทําอะไรไปสกัดกัน้นเราก็มีสติเท่านั้นสติความรู้สึกตัวเท่านั้นที่จะไปสกัดกั้นมันได้เพราะไม่อย่างนั้นความเคยชินนั่งเดิมเนี่ยมันก็จะมันก็จะไปตามเส้นทางของมันอย่างไม่มีหยุดมียอดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าจนแก่ แล้วมันก็ทุกข์เพราะมีนี่มันก็คิดได้เสร็จแล้วเอ้าเร้องทำยังไงล่ะมันถึงจะรักษามันได้ถึงจะมีมีความเปลี่ยนระบบเปลี่ยนความการต่อสู้คือการสกัดขั้นตัวนี้ได้เนี่ยโอ้มันก็ไปนึกถึงความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเท่านั้น เพราะความรู้สึกตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวสติเป็นตัวเข้าไปสกัดกั้นได้ตราบใดถ้าเรายังมีความรู้สึกตัวอยู่สิ่งเหล่านี้ก็จากหลักก็จะเป็นเบาไม่สามารถที่จะไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งตัวอาการที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ความรู้สึกตัวของเรานั้นมันชัดหรือยังมันดีหรือยังตัวนี้ต่างหากที่เราจะต้องไถ่ควรพระเอินก็ เลยมานึกถึงคําพูดของท่านอาจารย์พันธ์ที่ท่านไปไปเยี่ยมไปไปให้กําลังใจท่านบอกว่าให้รู้สึกให้รู้สึกที่กายให้รู้สึกที่กายเป็นหลักเอากายให้แน่นก่อนอย่าเพิ่งไปดูจิตอย่าเพิ่งไปดูอารมณ์ก็เลยมา <c oughs> คือเมื่อก่อนนี้เราเราเร า, เราดูกายมั่งดูจิตมั่ง ผมก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซนต์ของการดูกายดูกายเนี่ยมันกี่เปอร์เซนต์ดูจิตกี่เปอร์เซนต์อาจารย์บอกว่าให้ดูกายประมาณเจ็ดสิบูจิตประมาณสามสิบก็เลยคิดได้ว่าอ๋อไอตัวนี้ต่างหากที่จะทำให้ความรู้สึกตัวเราเรามีอยู่ตลอดเวลาแล้วเด่นอยู่ตลอดเวลาอยู่ในที่ตั้งที่มั่นอันอันเตรียมพร้อมที่จะไปต่อสู้ที่จะไปฟาดฟันกับไอตัวนี้ ที่ไม่ตกไปถูร่องลึกลึกร่องเดิมที่เคยตกผมก็ทำมาเนื่อยที่นี้พอมาพอมาทำความเข้าใจตรงนี้แล้วในการปฏิบัติในการเดินจงกรมก็ดีในการยกมือก็ดีรู้สึกว่ามันมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติได้ดีขึ้นไม่ไม่ดัดแปลงแก้ไขไม่บริหารจัดการคือเป็นผู้ ผู้ตามรู้ผู้ตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอาการเจ็บปวดปวดเมื่อยไม่ว่าอาการท้อแท้อ่อนแอเชื่องซึมหงอยเหงาความโ ง, ง่งง่วงอะไรต่างๆก็ก็รู้สึกว่าจะลดหายไปแล้วก็เกือบจะไม่มีมีแต่ความรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกมัน เ, เป็นการระมัดระวัง ไปในตัวเองด้วยภัยอันนั้นก็คือลูกตาที่มองเห็นลูกหูที่ได้ยินเสียงนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญปัจจัยต่างๆที่ที่กระทบเข้ามาในตัวเราถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เป็นเป็นเครื่องป้องกันตัวเราก็จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ทันไม่ทันกับเกมตัวนี้ความเคยชินอันนี้ที่มีมา ตั้งแต่ดั้งเดิมข้อสรุปณปัจจุบันนี้ก็คือว่าผมจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้คือต้นเหตุแห่งทุกเนี่ยพยายามป้องกันอย่างเต็มที่ในส่วนที่เข้าไปเห็นเหตุแห่งทุกที่แท้จริงแล้วเหมือนอย่างคาพูดของหลวงพ่อเทียนพอที่พอมัน ขึ้นมานึกได้ว่ารู้เท่ารู้ทันก็คือรู้เท่าพัสดะตามองเห็นก็รู้เท่าหูได้ยินเสียงก็รู้เท่าอย่าให้เกิดนามาลูกขึ้นแล้วก็จะปลอดภัยรู้เท่ารู้ทันแล้วก็รู้จักกันรู้จักแก้รู้จักกันก็คือทําความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันก็กันได้ เวลามันเกิดขึ้นมาก็รู้จักแก้มันก็เกิดความคิดความรู้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ตั้งใจว่าจะพยายามทําความเพียนอยู่กับสิ่งนี้อยู่กับปรากฏอยู่กับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนี้ตลอดไปแล้วก็ให้หนักแน่นให้มั่นคงยิ่งขึ้น เพนะนับก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยสำหรับตัวเองที่ทำให้รู้ต้นเหตุแห่งทุกข์คือเมื่อมันรู้ต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วมันมันก็คงจะไม่ทุกข์อันนี้คือเส้นทางของผมเองที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วก็มามาพบมาเจอแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อท่าน ท่นได้เปิดเปิดฝาที่คว่ำอยู่แล้วหงายขึ้นมาให้เราเห็นจากการที่ท่านเทศแนะนําในวันนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีคนชี้แนะไม่มีคนบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ไอความไอ้การสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นทุกขเพราะไอ้ตัวนี้นี่แหละแล้วเราก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปสกัดกัน้นที่จะไป ไปทำให้เขาอิทิคลของเขาเนี่ยน้อยลงหรือเบาบางลงได้เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันนี้ที่เข้ามาเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วเราก็คงจะต้องรักษาเครื่องมือดูแลเครื่องมือของเรานี้ให้ได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป ก็ขอเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติเพียงเท่านี้บางทีก็อาจจะไม่ไม่ทราบว่าจะได้ประโยชน์กับใครแค่ไหนก็ก็นึื่องแบบว่าจะม่รู้ทำไมถ้านลวงพ่อจังมาดังทุกที ว่ามาไม่ได้ฟังเสียงตัวเองพูดแต่มาเสียงฟังเสียงลาโพงว่าดังแค่ไหนก็เรารู้นะทั้งรู้อะทั้งความรู้สึกตัวเราให้รู้เท่าทันเหมือนโยมจะบอกว่าโฆษณาเสื้อให้หลวงพ่อตัวใหม่หลวงพรู้เท่าเอาไว้ทันรู้ตันแล้วไว้แก่ตัวนึกว่ารู้แน่ๆต้องรู้ทั้งแก้ทั้งตันออกตัวนี้ จะเด็ตัวใหม่รู้ในในรู้ทั้งแก่ทั้งจังดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราทํามาเนี่ยมันคือการสร้างสมนะสร้างสมความพร้อมแต่ถ้ามันไม่พร้อมเร า, าทำต้งทั้งที่รู้นะว่าจุดเนี้ยแต่ว่ามันไม่จิกไม่เจาะลงไปเนี่ยเหมือนกับนักตีก อ, อมันกูรู้ว่าหลุมดูนะถ้ามันตีทํามันไม่เข้าอะ่ะตีแล้วตีอีกตีอย่างนั้นแหะ มันไม่เข้าแต่พอมันถึงจังหวะมันก็เข้าเฉยเลยนะมันก็มีจังหวะสังเกตนะมแต่มาไปคนเช่าสังเกตเนะาะตัวลุง ก, ก็อยู่ตรงนั้นนะลูกเกาก็อยู่นะตีก็จะตีเข้าตรงนั้นนะแต่ถ้ามันไม่ไปเข้าอ่ะ <c oughs> อันนี้ฝ่าให้คิดนะเะงั้น ไ, ไม่เข้าจน ถ, ถึงจังหวะพอดีของมันอนะ่ะเข้าง่ายง่ายเข้าไปชนะเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่ โยมพุทธิ์ถึงตัวเอามาทําให้มานระลึกถึงได้ถึงคาถาที่พุทธเจ้าตสัตสัมมาสัพพันจะซีและจะปัสสะทางธรรมทัศนังอนุยนเชตเมตวีสรังพุทธานาซัสนังเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนคำสสอนของพุทธเจ้าเออยอย่างนี้ไงนะ เมื่อระลึกได้ถึงความสัมสอรของพุทธเจ้าอยู่ผู้มีขนลมลมลมแบ ต, ตีผู้มีปัญญาเนะ่เมธาวิสรธรรมกุฏานนะผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศนะรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมให้เนึองๆตัวที่โยมเห็นเนะี่ยคือการ หมายความ่าม <t ư> ันไม่ใช่เห็นครั้งเดียวแล้วจบนะข้างเห็นบ่อยๆต้องเห็นบ่อยๆองทําให้หนธรรมทัศน์ันแต่ไอการที่จะเรามั่นใจว่าจะให้เห็นตรงนี้บ่อยๆต้องประกอบด้วยอะไรัตสัมมาสัพพันจะสีเดินจะภาษาธรรมสามตัวนะหนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะเห็นสองอะไรที่มันมันเป็นอุปสรรคเนี่ยต้องเอาออกเสบ้าง สีลันจกักรในการที่เราเอาสิ่งไม่เข้าท่าออกไปจากตัวเราบ้างเนี่ยความเคยชินต่างๆเอามันออกไปบ้างเนี่ยเป็นการรักษาศีนะเช่นเคยติดนั่นติดนี่น่ะติ ด, นะตดลูกติดเมียติดโลภติดโกรธติดหลงติดรักติดชังเอาออกไปไปบ้างถ้าเอาพวกนี้ออกได้เนี่ยก็เรียกว่ามันมีสีแล้วสีรันจักภาษาทาง เมื่อบุคคลเมื่อผู้มีปัญญาเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของผู้ได้ยเจิ่งพึงพอกพูนศรัทธาศีลอ่าแล้วก็ความเรื่มใสนี่เราก็มีความเรื่มใสคําว่าศรัทธาและภาษาธาศัทธาจะแต่เราไม่มีคําว่าภาษาธาเข้าไปอีกศรัทธาศีลและภาษาทางไอศรัทธากับปภาษาธาเนี่ยเรามาใช้ร่วมกันใช่ไหมแต่ในที่เนดะินทางมันจะแยกกันศ ส, สัทธาศีลแจะภาษาทาง แสดงว่าศรัทธาปละปัสาวะไม่ใช่เรื่องเดียวกันศรัทธานี่คือความมั่นใจเชื่อแต่คำว่าปสสาทะเนี่ยมันตรงกันข้ามกับอาสาทะคดีนสองคำนี้คำว่าอาสาทะกับปสสาวะอาสาทะแปลว่ารสชาติเราอินอาหารได้อร่อยก็เพราะอาสาทะคือรสชาติ เราดูอะไรนะั่นนานๆดูหนังดูละครน่นอนเพราะมันมีรสชาติมีอสาทะเราฟังดนตรีได้ทั้งวันทั้งคืนเสียบหูฟังตลอดเวลาก็ต้องมีอาสาทะมีรสชาติอยากจะฟังเรื่องรดอาหารก็ไม่ต้องพูดถึงไงใช่ไห ม, ไมก็อาสาทะโดยตรงเลยถ้าอาหารไดๆ ไ, ไม่มีอาสาทะไม่มีรสชาติไม่อร่อยฉันก็ไปกินที่อื่นทํำให้ลดตัวอาส า, าทะนี่ทําให้เกิดเป็นพิกภยัยอาหาร ไม่อร่ก็ต้องทำให้มันอร่อยปรุงเยอะๆใส่ปรุงชรสเยอะๆใส่ข้าเหนีเยอะๆใส่อาหารเสริมเยอะๆเข้าไปใช่ไหมอาซาทําให้เกิดอะไรรสชาติรสชาติก็ทําให้เราเจ็บป่วยนั่นแหละแล้วก็กลิ่นหอมๆแล้วผูตสาวปลูต้นไม้ให้กลิ่นหอมอุตสาวไปซื้อน้ําหอมขวดเป็นหมื่นเป็นพัน เ, เพื่ออามาดมเพื่อมาใส่ในรถตลอดเวลาให้มันอบอวนตลอดเวลาในห้องนอนในรถ เห็นไหมเราติดอาสาทะแม่ทั้งกลิ่นและสัมผัสอาสาทะก็ยิ่งนัวยิ่งเข้มยิ่งสนุกนะพอโตขึ้นมาหน่อยพัดอาสาทะจาพ่อจากแม่เราของอาสาทะจากหนุ่มจากสาวพ้นจากวัยเป็นหนุ่มสาวอาสาทะจากผัวจากเมียพ้นจากผัวจากเมียอาสาทะจากลูกจากหลานเอาวหลานมาแนมมาเกาะตลอดเวลาดูในอาสาทะตรงทางกายเนี่ยมันมีความเข้มข้นขนาดไหนอาสาทะ ทีนี้ท่านบอกให้เปลี่ยนเป็นปส า, า, าปะทะปัสสาทะคือเอาตัวอาสาทะออกไปอให้ปล่อจจากอาสาาะทะปัสสะทะหรือว่าปล่อจะจากให้ปล่จจากอาสาทะคือเอาตัวรสชาติออกไปอะไรที่มันติด ม, มันยึดน่ะมันเข้มและอาสาทะทางจิตอีกอะจิตที่เราไปยึดพอไปยึดแล้วท่านใช้คำว่าอุปทานะตัวปสาาัสสะทะตัว ไอ้าอาสาธาระมันก่อให้เกิดอุปทานนะคืออุปทานยิดเลยถ้าปเป็นอุปทานแล้วนี่ยคือตัวรสชาติทั้งหลายอายสาระมันก่อให้เกิดอุปทานนะมีทางเดียวที่จะออกมาได้คื อ, อปฏิสาธะคือออกจากรสชาติแล้วมันจะเห็นธรรมได้ง่ายๆธรรมทัศน์นยิ่งเอาออกสาธาะชื่อจอางลงไปเท่าไหร่การเห็นธรรมก็จะบ่อยขึ้นเท่านั้นาสาธาระเราต้องได้นอน ที่นอนดีๆไปที่ไหนได้นอนไม่ดีติดอาหลงนอนไม่หลับไปที่ไหนต้องทานอาหารดีๆไปร้านดีๆหาไม่ครัวดีๆแล้วแม่ครัววัดไหนสำนักไหนทำอาหารอร่อยฉันไปสำนักนั้นบ่อยๆควจริงไม่ได้ไปติสัทธะเรื่องปฏิบัติเท่าไหรแ่แต่เขาทําอาหารอร่อยฉันไปบ่อยอยู่มันเฉลยเ อ, อทาํากุฏิอยู่ที่นั่นเฉลยจะได้ทานอาหารเพราะฉะนั้นตัวอาศท า, าเนี่ยมันมันร้กาศมากเลย แต่ว่าเราไม่ค่อยนึกถึงเพราะฉะนั้นการเห็นทำบ่อยๆเนี่ยขอให้ไปลดอาสาทะลชาติลงเท่านั้นแหละมันไม่ยากเลยนะเป็นใหญ่มะใหญ่มากการได้เห็นสิ่งสวยๆวยงามๆประดับประดาเป็นอาสาทะการได้เสียงเพราะๆที่ถูกใจถูกหูท่างเป็นบันทึงมันเป็น วัฒนธรรมเป็นตระเพณีของมนุษย์อะ่ะมันไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมอะไรนะแต่มันเป็นตระเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นความเจริญเป็นอารยธรรมอาสาท่แต่เราจะออกอารยธรรมแห่งอาสาท่มันจะต้องทำอีกแบบหนึง่งต้องเปลี่ยนเป็นภาษาท่น่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้ไหมเพราะว่าก็ก็เป็นโลคีธรรมไปเรื่อยๆคุณจะไปิีบัตธรรมสูงขนาดไหนคุณทิ้งอาสาท่าล้วคุณก็คืออยู่ในโลกโลกุตลนะเน่ะคุณเหนือมันไม่ได้แร้ว แต่ถ้าเโาเนื้อมันได้เป็นโลกุตระทันทีเลยแล้วตัวเห็นธรรมมันจะปรากฏเองไม่ยากหรอกแต่พอเราพอใจในรูปเสียงกินลสสัมผัสเขรียกกรรมะคุณไงไอสาเขาเรียกกรรมะคุณทั้งห้าเบญจกรรมะคุณเนะ่ตรงเนี้ก็คือแต่พูดถึงเรื่องนี้เราก็ชักท้อรูอ้ไหมอย่าท้อนะโอ้โหฉันนี่เต็มหัวเพี้ยบเลยนะฉันจะออกมันได้ยังไงไอสาธาตุาทั้งหลายเนะี่ยเรื่องกอดลัดฟัดเหวี่ยงมันอยู่ทุกวันนะแล้วจะออกมันได้ยังไงเอาเหอะ บำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะออกได้นะออกทีเละนิดละนิดละนิดกล้ยสุขธรรมดาไม่ค่อยอร่อยฉันต้องไปบวชชีนะฉันไปทำขนมกล้วยฉันไปทำกล้วยตาฉันไปทำกล้วยเชื่อมฉันไปชาละพัดต้องการอาศาทธาตเท่านั้นน่ะแล้วก็พิษภัยทั้งหลายมันก็มาจากอาศาทธากิเลสทั้งหลายมันก็มาจากอาศาทธานั่นแหละ อย่าท้อนะเรื่องนี้นะทําไปเรื่อยๆกันเลยอย่างน้อยโยมบัวสุขที่เขาพูดเป็นตัวอย่างให้เราได้ อ, ะอ่ะโยมวันนี้กับหลวงพ่อแมนจะเปลี่ยนวีซ่าหรื อ, อยังวันนี้จะต่อวีซ่าไหมถ้าไม่ต่อวีซ่าออกมารายงานหน่อยต่อวีซ่าใช่ไหมโอเคมุธนาสาธุด้วยเมื่อวานว่าจะเก็บวันนี้วันนี้ต่อวีซ่าเนะ่ยมันมีหลายคนอยากจะต่อกันนะโยมมะลจะต่อหรือจะหมดวีซ่าแล้ว คูมันได้อยู่ไหนฮะคงต่อไม่ได้บง้งแต่ะน้า่านเห็นไหมเออมรณาสาตวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เข้มข้นนะ่าเสียดายอมาเ อ, อต่อวีซ่าดีจะได้อยู่ต่อวีซ่าวันเดียวไม่ไ ม, ไม่เสียหายหรอกที่บ้านนะยังไงก็ทุกอย่างยังอยู่มันเดียวมันนะดังนั้น<ม>ในเรื่องเหล่านี้มาว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากและก็ไม่ง่ายแต่ต้อง ยังไงศรัทธาความเงื่อนใสความมั่นใจในวิธีการมั่นใจในคําสอนเนี่ยโยมเออโยมพอเจออย่างเงี้บ่อยๆขนาดช น, นต้นไม้ล้มแล้วก็ยังล่วงต่อมันจะขนาดไหนมันยิ่งกวา่าพระโมคคัลลานะนะมาว่าพระโมคคัลลานะใค่สับแล้วโป้งเลยเนะอันนี้สับลงไปกันยังไม่โป้งเลยใช่ไหมต้องมาต่อเนี่ยอามาอยากจะให้คนนี้มาบวชเพราะอะไร เพบวชแล้วเ ป, เ จ, เ, เ, <c oughs> เ, เ, ปเจ้าสำนักได้เลยอย่างท่านเขียนเลยใช่ไหมเอไเจ้าสำนักได้เลยอ่ะแต่เป็นพระยังไม่ได้รู้เรื่องเหล่านี้เข้ามาบวชโเป็นพระล้าน่าดูเลยะเอามาเลยลำบากเพราะอะไให้รู้เรื่องเหล่านี้เข้ามาบวชเนี่ยมันไวนะแต่ท่านยังไม่รู้เรื่องนี้เข้ามาบวชเนี่ยไม่ใช่เวลานานเพราะพระจะลำบากประโยมนีเพราะอะไร ก็กิเลสมันล่องลึกอ่ะเข้ามามันก็ไหลจูดลงไปเท่านั้นะนะเจอรูปเสียงขีดด้สัมผัสเจอมือถือเจอรทัศน์เข้าไปก็เรียบร้อยอ่ะพระว่าวเพราะฉะนั้นวันๆก็ขุกขิดกับเรื่องนี้แหละเราก็เลยว่าถ้าหากว่าในวิธีการกหลวงพ่อเทียนท่านจึงแนะนําให้ให้ญาติโยมปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วเข้ามาเป็นพระแล้มันจะง่ายก็ช่วยกันนะที่เข้ามาเป็นพระนี่เพื่อที่จะใช้ชีวิตเพื่อ มาช่วยส่งเสริมช่วยเผยแ พ, พร่ศาสนาเท่านั้นนะไม่ได้เข้ามาเพื่อมาสวยรับสก้าร่าเลยนะเข้าเมื่อส่งเสริมพุทธศาสนาให้มันเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าจะต้องมีอย่างเรื่องมีศรัทธามีศีลมีความเรื่มใสทั้งสามอย่างให้เข้มแข็งแล้วการเห็นธรรมมันไม่ยากหรอกธรรมทัศน์นังเพราะฉะนั้นไปท่องให้ดีคาถาบนนี้ตัมสม า, าสัทธันจัสซีลันจัประซาทางธรรมทัศนนังอนุยนเชตเมธาวีสรังพุทธานศาสนัง เพราะฉะ น, นั้นมเมื่อละลึกได้ถึงคำสัง่งเพราะว่าทางเสียงก็กล้องแล้วก็ภาษาทหูทคนทั่วไปก็ก็ดนะีก็เป็นตัวภาษาท่าเาว่าประษาทะาเนี่ยเอามาใช้คำว่าประสาทคำว่าประสาทกับประประศาสเนี่ยต่างกันไหมโอ้คนนี้ประสาท <laughs> โอ้คุณอยู่บนประสาทราชวังเช่เลยนี่คือภาษาไทย บ้านเขาเหมือนประสาทราชวังเลยนะแสดงว่าคนอยู่บนปราสาทนี่คือคนประสาททั้งนั้นเลยมันก็คงโยงควองคนเราเปวาหมายใช่มดังนันเองก็อย่าเรื่องคำว่าระบบประสาทของคนทุกวันนี้มันเสื่อมไปเยอะก็เพราะว่าต้องต้องช่วยเยอะต้องช่วยกันเยอะเลยก็เพราะว่าเราติดรสชาติเยอะนั่นแหละตัวประสาทมันก็เกิดขึ้นเพราะตัวอาสาทะไปทําลาย อพยทเซลลอพา ท, าทต่างๆพราะตัวสารท่ทา น, นเป็นตัวพิษตัวมันเข้มอ่ะแล้วประพาทของเรามันมันเป็นเซลและเลขมันอ่อนเพราะนั้นมันจะการรับรู้เนี่ยมันจะมันจะสูญหายไปเรื่อยๆแต่ธรรมชาติทั้งหลายพวกสัตว์นีนะ่การรับรู้เขาจะไวใช่ไหมเพราะนั้นเขาเอาตัวไม่รอดอ่ะอย่างไก่ป่านเนี่ยเราพอได้ยินเสียงเพิ่งนี้มันอยู่ที่บินหนีไปละเอาโพสิงสารสัตว์ทําไมในาพรานถึงล่ามันยากชาวบ้านนึงไม่มีทางเอาไป จ, จัดการมาได้ชาบ้านแต่ในพรานเนี่ยล่าได้เพราะว่าเขาเขารู้นิสัยของมันเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มาเอาตัวรอดได้เพราะอาศัยประสาทรับรู้มันไวมันไวแล้วมันก็เอาตัวรอดได้เพราะนั้นตัวเราคนเราก็เหมือนกันถ้าประสาทรับรู้เราไวแล้วก็มีมีตัวศรัทธามีศีลมีปสัสสะแล้วก็มีการเห็นธรรมก็ปรากฏหมายความว่าจิตของเราเนี่ยจะเอาตัวรอดได้จากกิเลสมันรู้สัญญาณเลยว่าอะไรมากระทบปั๊บเนี่ยสัญญาณแบบนี้ มันโยมในที่ไม่ได้บอกชื่อยโยมเลยโยมประดิษฐ์นะโยมประดิษฐ์พอพอกระทบปั๊บเนี่ยลูกกับเสียงกระทบปั๊บเนี่ยมันทําท่าจะขุนใช่ไหมสัญญาณมันบอกว่าเอออ่าสัญญาณเดิมมันบอกใช่ไหมมันเริ่มบเข้ามาสู่ลูกคอารู้สึกตัวปับ๊บเราหนีเลยนะห น, นีให้ทันเลยเพราะฉะนั้นตัวความประสาทการรับรู้ของเราเนี่ยถ้าหากมันถูก ตัวอาสาทะคือรสชาติเข้าไปทำลายบ่อยๆนะมันก็จะหมดหมดสภารมันไปเรื่อยๆประสาทรับรู้ทาหูเนี่ยเมื่อก่อนเราคุยกันเบาๆเนี่ยได้ยินนะแต่เดี๋ยวนี้ต้องได้ตโนนะโกนอ่ะถ้าไม่มีไมโครโฟนก็ใช้ไม้ตะโกนแลส่วนใหญ่ใช้ไม้ตโะโกนกันปดังลั่นป่าเลยดัง <c ười> นั้นอันนี้คือ ศาสตเราเริ่มเสื่อมเพราะเราไปติดอาสาร์ท่เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการรับรู้ของเรามันดีขึ้นเรื่อยๆนะเราต้องลดอาสารท่ของเสียงติ้นรดสัมผัสเนี่ยให้มันมีความดุลแรงน้อยลงเรื่อยๆการที่เราจะกินข้าวไม่อร่อยแต่กินอิ่มเนี่ยดีฝ่าใช่ไหมแต่ถ้าเรากินอิ่มเพราะความอร่อย เราก็ได้สารพิษเข้าไปด้วยแต่ถ้าเรากินอิ่มไม่อร่อยเราไม่มีสารพิษนะในด้านจิตใจเหมือนกันถ้าเราชอบสนุกสนานเราเรียกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินคือเป็นผลพวงเขาว่าอาสาทะเมื่อเราชอบสนุกสนานเพลิดเพลินตัวนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นนันทิเป็นราคะใช่ไหมมันออกมาเป็นสารพิษทางด้านจิตใจนันทิราคะตัณหากามาฉันทะกาโมบ า, านกามาสวะไปนู่นเลยเป็นสารพิษทางด้าจิตต้อง เราจะต้องไปติดรสชาติข้ามพบคําชาติอีกไม่รู้เกิดตายเกิดตายไม่รู้เท่าไหร่เพราะตัวอาสาท่ทางกายเนี่ยมันไปแปลรูปเป็นอาสาท่าทางจิตแต่เราเรียกชื่อสมัยวราคะใช่ไหมราคะด่านหากามตด่าหาเพราะว่าด่าหากามุปาทานและกามาสวะสารพิษที่เรากินมาจากอาสาท่ก็ก่อให้เกิดความไม่สบายทางกาย ใช่ไหมเราเป็นเวทนาต่างๆขึ้นมาเนี่ยมาจากการกินเนี่ยเก้าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซดังนั้นเลยว่ามันเกิดอาสาธะขึ้นมาทําลายประสาทะทำลายประสาทเมื่อประสาทเราอ่อนการรับรู้เราอ่อนมันก็ไม่รู้พิษรู้ภัยของอาสารพิษทั้งหลายอะ่ะเพราะฉะนั้นใครเอาไอ้น้ำไอ้ผลไม้กล่องมาให้ต่มากับกับผลไม้คั้นไว้อย่างเนี้เอามาจะดื่มวันนี้ก่อน แต่นี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะเอามาถวายสองสามกล่องเลยข้าะในนมันมีอะไรหลายอย่างอยู่น ะ, ะมีสารกันบูดมีสารแปรสภาพอะไรต่างๆเยอะๆดังนั้นเองการที่เราได้รักษาธรรมชาติของรูปเสียงกินรถอย่าให้มันมีอส า, าธามากเพื่อความเคยชินของประสาที่มันเปลี่ยนไปเป็น วิญญาณเขาเรียกว่ามโนภาษาธาตเนี่ยไม่ให้มันแปลไปเป็นวิญญา ณ, ณประภาษาธาคือความอริสอร่อยทางกายเนี่ยไม่เห้ไปสร้างความรอริสอร่อยทางจิตแรงขึ้นไปเพอราคาภาษาธามันจัดรถจัดมันเกิดราคาจัดราคาจัดโทสะก็จัดโทสะจัดโมหะก็จัดแล้วมันจัดจัดอย่างเงี้เนาะควรจะล้างมันได้เนี่ยโอ้โหเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่พกรกี่ชาติพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า น้ำตาเราตกเนี่ยเหมือนกับน้ำในคลองเลยนะกับทุกที่เราเกิดตายเกิดใจเนะี่ยกระดูของเราที่มันตายเพราะกาันเียนว่าแต่เกิดเพราะเป็นภูเขาเลยนะและ้วในแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่นี่เขาบอกไม่ใช่ไม่มีที่ไหนไม่ใช่เป็นไม่ไไม่ได้เป็นที่ตายของเราเราตายมาแล้วในพื้นที่นี้ทั้งนั้นนะแต่เราลึกไม่ได้ทังนั้นเอง<ช>อ๋อนกอนุโมทนาแล้วจบ พอแล้วพอแล้วนะโอเคขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาปฏิบัติทั้งนี้อีกวันหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องอาทานข้าวเช้าแล้วก็จะได้กลับบ้านขายบ้านมันนะ่วันนี้ให้ทาได้เต็มที่นะขออโมทนากลาพร้อมกัน